สนใจกับทางพระพุทธศา ส, สนาแล้วจะทำให้ประกอบอาชีพไม่สะดวกแสวงหาความสุขเพลิดเพลินได้ไม่เต็มที่